กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับเรื่องของธรรมะ 8 นะเพราะอะไรเพราะว่าอ่า 3 สิ่งนี้ 3 เรื่องนี้แหละตั้งอยู่ได้จริงๆพระธรรมเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นแหละในศีลสมาธิปัญญานะ 45 ปีท่าน 45 ปีใน เนี่ยพูดซ้ํา 45 ปีแหละตอน 80 ปี 80 พรรษาละและอยู่ที่กลางป่า 80 ปี 90 ปี 100 ปีเนี่ย อะไรต่างๆเนี่ยแต่สําหรับพระฐาโคตรเนี่ยสําหรับพระพุทธเจ้า 80 ปีก็ตามก็ตามนะเพราะว่าเอ่อ 3 คน เลย. คน 1 ถามปัญหาเกี่ยวเฉพาะ 4 นะพระองค์คนนี้ไปจํา 2 ถามอีกอีกถามคนละเรื่องกัน 3 ถามอีกถามพระ 1 คนที่ 1 ถามอีกเรื่อง 2 ถามอีกอีกใช่มั้ยตอบให้ การนอนการดื่มการไปห้องน้ํานะเว้นการหลับด้วยนะเว้นหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ 100 นะ, ย, ย เลย, เลย, นะ, รร ย, 45 ปีที่สอนเนี่ยยัง ไม่ใช่ตอนต้นที่มันใบกรุ๋นกร๋อนนะต้นตอนฝนตกดีใบเขียวๆนี่แหละนะใบมันมันเปรียบเลยน้อยมากไมไมไม 100 ปีเว้นการกินกันนอนกันดื่มยังไมไม 100 ปีโดย มันจะมีหลากหลาย 84,000 พุทธมขันธ์ใช่มั้ยคือมันเยอะ 500 จน 500 แล้วก็ลักษณะๆว่าโอ๊ยไม่ต้องไปนับมันหรอกก็สัก 500 นี่แหละเป 500 เป๊ะหรือ 499 ไม่ใช่งั้นแต่จะ นั่นจริงมากกว่าด้วยซ้ํานะๆทั้งนะถ้าจะเราจะย่อๆเนี่ยให้มัน 37 ก็ได้ได้ 37 อย่างใช่ 37 นะกก อ, 8 เนี่ยย่อลง 3 ศีลสมาธิ 2 ย่อ 1 คือสติ 1 เดียวคือจิตคือวิมุตตินั่นเองและเพราะว่าจิต มันจะมารวมม้วนเสือกันอยู่ที่จิตของเรานะท่านฟังมันเป็นอะไรเป็นอะไรล่ะเป็นมนุษย์หรอเป็น เพื่อให้มีเค้าเรียกว่าจุดที่จับได้คุณเข้าใจตรงไหนคุณจับตรงนั้นคุณเข้า <co ff> 8 นะ 8 เส้น น่ะก็เป็นหนทางเก่านี่ 2 แพร่งเอซ้ายดีหรือขวา เรียกว่าเป็นหน้าผาที่เรียกว่าตกไปนี่คือวืดไปเลยล่ะตกไปร่วงๆง่ายๆนี่แหละเดินไม่ดีนี่ถล้ายไป เรือนร่มมีต้นไม้มีอะไรต่างๆในหน้าเรือนร่มนะไม่ได้เป็น 2 ทางนี้หมายถึง 8 นั้นคือสัมมาทิฐิท่าน น่ะก็คนละเรื่องแล้วนอกแนวไปละน่ะคิดไปไม่ถูกทางแน่นอนแต่ถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิก็จะมีมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสังคัปปะมิจฉาสมาธิก็มีนะ นะพวกที่จะโจนเส้นรอบก็มีนะโจนกับคักขระก็ แต่ฉลาดมีปัญญาแต่แต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิน่าน่าเสีย อย่าไปสนใจนะเราก็ทําความดี นะ, นะ, นะ, นะ, 5 นะที่อยู่ นครทางไปเหวเนี่ยเออมันเดินง่ายดีฮะแต่ลงไปยิ่งง่ายยิ่งถลําลึกถลําลึกจนกระทั่งในเหวกรองชั้นก็คือ อ่าสามีภริยาทั้งนั้นตั้งแต่หมายถึงเอ่อตาหูจมูก 5 อย่างนี้นี้น่ะอํานาจเอามาให้เราล่อเราแต่บางคนมีสินบนมาล่อเอาอะไรมาล่อสวยเลย นะเราก็อย่าให้มันไหลไปตามอำนาจของกามนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องไม่ปิดกั้นนี้ไม่ใช่หมายถึงปิดตานะไม่สนใจอะไรไม่ใช่นะปิดกั้นคือปิดกั้นที่จิตท่านฟังนะปิดกั้นที่จิตนะการรับรู้ตรงเนี้ยไม่ให้ของที่มันชั่วๆเข้ามานะ อย่าป่วงกำมันมานานๆหรือมากแต่เพราะฉะนั้นถ้าเรารีบเพราะฉะนั้นนิพพานอย 5 ก็พยาบาทงู ความที่ฟุ้งซ่านทําการใจนะความเครือแกร่งระแวงสงสัยนั้นจะ เพราะถ้าคุณทำสมาธิไปนั่งสมาธิไปเกิดจิตเป็นอ่ามีนิรวันง่วงบ้างจิตฟุ้งบ้างโอ๊ยต้องรีบนั่งต้องลุกขึ้นมาลุก นักสมาธิ 2 นาทีอ่ะ 28 นาทีทําไม่ 2 นาทีทํา 28 นาทีชนะ 2 นาทีก็ไม่เอาคุณ 2 นาทีคุณ 30 นาทีคุณ 2 นาทีนะ 2 นาทีตรงนี้เป็น 28 นาทีค่อย 2 นาที 5 นาทีได้ 5 นาที แต่ถ้าที่ตรงเนี้ย 10 นาทีได้คุณเอา 10 นาทีตรงนี้เป็นหลักตรง 20 นาทีได้ความดีนะผู้ฟังน้อยนิดเดียวก็เอาเป็นหลักได้น้อยนิดเดียวก็เป็นมาตรฐาน มันโตเป็นต้นทั้งต้นได้ก็นี่แหละเหมือนกันความดีนิดเดียวในใจของเรานะผู้ฟังให้มันโตให้